ก็วันนี้จะได้บรรยายประสูดคืออนัตตลกนัสูตรในตอนต่อไปเมื่อวันเสาร์ที่แล้วได้พูดถึงมาในข้อที่ทรงสอบถามท่านปัญจวคีว่าในเมื่อขันทั้งห้าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเช่นนี้เป็นการสมควรไหมที่จะยึดถือว่านั่นเป็นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเรา ซึ่งท่านปัญจวัคคีย์ก็กราบทูลว่าไม่เป็นการสมควรเลยพระพุทธเจ้าค่าแล้วก็ได้อธิบายถึงคําว่าเอตังมมะที่ยึดถือว่าเป็นของเราซึ่งท่านจําแนกออกไปเป็นตันหาในอารมณ์ทั้งหลายรวมแล้วถึง108ประการด้วยกันแล้วข้อต่อไปก็คือว่านั่นเป็นเราจะเรียกว่าเอโสหัมม oh ัสสนิซึ่งเป็นพระพุท ธ, ธํา ร, ร, รักที่าศาสตร์มากที่สุด เวลาพูดถึงการยึดการถือแล้วก็จะใช้คำสามคำนี้แต่บางครั้งจะใช้คำว่ากาหะซึ่งก็ความหมายเหมือนกันก็แปลว่าความยึดถือเอสวัสมิเราเป็นนั่นเป็นนี่นั้นเป็นการยึดถือด้วยอำนาจของมานะมานะเป็นกิเลส ท, ที่ละเอียดมากขนาดพระนาคามียังละไม่ได้้าได้เฉพาะพระอรหันต์เท่านั้น สามั ญ, ญชนทั่วไปจึงอยู่ในวิสัยที่จะบรรเทาให้โบบางลงไปอย่าให้ถึงกับมานะจัดอาการเกิดมานะนั้นส่วนมากแล้วก็เกิดมาจากในพื้นจิตที่ประกอบด้วยมานะนั้นส่วนหนึ่งในส่วนหนึ่งก็คือองค์ประกอบในการดำานินชีวิตของเขาทุกคนเราอาจเกิดมานะเพราะอาศัยทรัพย์เึ่นถือว่า เราเป็นผู้มีทรัพย์มากเราเป็นผู้มียศสูงเราเป็นผู้มีรูปสวยเราเป็นผู้มีสกุลสูงเราเป็นผู้มีความรู้ดีเรามีฐานะเด่นในสังคมอะไรแต่ละเรืองเพมดีมากไม่เกินไอเหตุให้เกิดมานะทีนี้ถ้าลองสังเกตดูว่าจากมานะมันจะนำไปสู่กิเลสอย่างอื่นที่ยังไม่เกิดไม่เกิดขึ้นที่เกิดแล้วก็เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นจนกลายเป็นมานะจัดได้ คนนี้จะยกตัวอย่างให้ดูบางประการเวลากระจายตัวของแกเช่นสมมติว่าเราเกิดมาณะในคราวแรกมันจะกระจายตัวออกไปเป็น9ประเภทด้วยกันคือเราเป็นผู้เลิศกว่าเขาสมมุติว่าเลิศกว่าในด้านวิชาความรู้ก็จะทําให้เกิดความสําคัญมั่นหมายว่าเรานั้นเลิศกว่าเขาก็เป็นตัวมานะแท้แล้วก็ สำคัญมาิหมายว่าเรานั้นเสมอเขาคือจะทําให้ไปตีเสมอคนอื่นแล้วก็ทําให้มีความรู้สึกว่าเราต่ํากว่าเขาหรือเราเรวกว่าเขานี้ชุดหนึ่งชุดที่สองในกรณีที่เกิดมาณว่าเราเสมอเขาบางครั้งก็ไปตีตนว่าเลิศกว่าเขาหรือเสมอเขาหรือเรวกว่าเขาบางครั้งเราก็ต่ํากว่าเขาแต่เกิดมานะได้เหมือนกัน นะเช่นมีเพลงอะไรที่ว่าขี่ควายขี่เก่งก็เหมือนกันพระจันทร์ดวงเดียวก็มีไม่ลักษณะของมานะคือหมายความว่าแท้จริงเราก็ฐานะทางเศรษฐกิจเราก็แย่กว่าเขาแต่เราก็พยายามหาเงื่อนไขที่เห็นว่าเราก็ดีกว่าเขาหรือเสมอเขามานะข้อนี้แม้ว่าเราจะต่ํากว่าเขาในด้านใดด้านหนึ่งแต่เราก็เกิดความรู้สึกว่าเราเลิศกว่าเขาหรือเราเสมอเขาหรือเราเร็วกว่าเขา มานาที่เป็นหลักจริงๆจึงถือว่าเราเลิศกว่าเขาเราเสมอเขาเราต่ากว่าเขาแต่ ม, แมันจะกระจายตัวมันอีกเป็นอย่างละสองอีกทีนึงก็รวมแล้วก็เป็นมานาเก้าเกิดจากตัวมันเองมานาที่เริ่มขึ้นมาจากจุดใดจุดหนึ่งก็ตามสมมุติว่าในกรณีที่เราถือว่าเราเป็นผู้มีความรู้ดีนะฮะก็จะไปเกิดเป็นการดูหมิ่นคนซึ่งเรามีความรู้สึกว่าต่ำกับเราและจะไปตีเสมอ คนซึ่งเขาอาจจะเป็นผู้ใหญ่แต่เราเห็นว่าความรู้เท่ากันแต่ก็ตีสมเสมอเลยแล้วอาจจะเกิดริษยาคนซึ่งคนอื่นเข้าไปยอว่ามีความรู้ดีกว่าเรามันก็กลายเป็นริษยาพอกลายเป็นริษยามันก็กลายเป็นการแข่งดีแล้วมันก็ตีตัวกระจายออกไปก็เรียกว่าจะเพิ่มกิเลสขึ้นเป็นอันมากทีเดียวมานะจึง มีลักษณะที่ทรงอุปมาไว้ว่าเหมือนกับไอสะพานที่ทำโดยไม้ออไม่ทราบต้นมันเป็น่างไงนะแต่ว่าออคือคงจะเป็นไม้อ่อนอ่อน่ะคือคือไม่สามารถที่จะอิงอาศัยอะไรได้คือมันจะแกวงไปไปตามแรงลมแรงน้ำที่พัดพาตลอดถึงว่าจะปุบปุเอื่อยพังไปตามกาน มานะจึงมีอยู่สองชั้นแตว่าที่จริงก็ไม่ใช่สองชั้นนะฮะแต่หมายถึงว่าชั้นวินัยกับชั้นธรรมะเป็นชั้นพูดเยา บ, ยบชั้นวินัยนั้นเราถือว่าเราต้องมีมานะแต่เราก็ไม่ถือว่าเป็นมานะแต่ท่านใช้คําว่าสัญญาคือความสํานึกความสํานึกที่ชอบด้วยเหตุผลเช่นว่าเป็นพระก็มีสมณะสัญญาคือสํานึกก็เป็นพระ เป็นอุบาสกอุบาสิกาก็สํานึกว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาเป็นสามีพัญจาก็สำนึกว่าตนเป็นสามีพัญจากัร น, นี้ก็ชันน้นระเบียบปีไหนนะแต่ชั้นหนึ่งก็คือเป็นตัวธรรมะคือเป็ น, ปนกิเลสไปเลยเป็นพวกอกุศลธรรมจะมีผลเสียโดยส่วนเดียวไม่มีผลดีแต่มันก็มีอีกมานะอีกประเภทหนึ่งก็เรียกว่าอธิมานะ มันมีลักษณะของการเข้าใจผิดการหลงผิดเช่นสมมุติว่าเราปฏิบัติสมถกรรมฐานไปจนใจสงบได้บรรลุฌานฌานนิวรณ์มันสงบหมดก็เข้าใจว่าตัวเองได้บรรลุอรหัตเป็นพระหันไปแล้วแล้วอาจจะไปปฏิญาณตนนะฮะปฏิญาณตนว่าเป็นพระหันซึ่งในกรณีนี้เป็นไปได้ ดังนั้นท่านในพินัยเองก็ยกเว้นเอาไว้ว่าสําหรับท่านเหล่านี้ก็ยกเว้นไม่ปราบประบัดคท่านเข้าใจปิดจริงๆในชั้นของวิสุทธิเจตที่เคยอธิบายมาแล้วจะพบว่าพอผ่านกังขา ว, วิตรณวิสุทธ์ไปเนี่ยมันเกิดวิปัสสนูปกิเลส10ขึ้นมาเนี่ยอาจหลงได้ตลอดวิปัสสนูปกิเลสทั้ง10ที่บังเกิดขึ้นแต่ละอย่างนั้นสามารถทําให้พระหลงได้แต่เรียกว่าอธิมานะ อธิมานะนั้นกลายเป็นเป็นความเข้าใจผิดในกุศ ล, ลธรรมเป็นในในตัวความดีแต่ว่าไม่ได้ถือว่าเป็นความผิดตั ว, ต, วตัวเขาเองก็ยังอยู่ในประเภทของอกุศลอยู่นั่นเองเอท่านจะเห็นว่ากิเลสคือมานะนั้นได้กระจายตัวเองออกไปมากพระนาคามียังละไม่ได้เพราะเป็นสังโยชน์ระดับที่แปดนะฮะรือเอ่อ ระดับที่เจ8ดดปดมันจะเจข้อที่แปดซึ่งพระหารทนันจะละได้การยึดถือว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่นี่จะนำไปสู่ความเป็นเราเป็นเขามากยิ่งขึ้นตลอดถึงถือตัวแล้วก็บางทางบางตางก็เนี่ฮะคือสราประมาทดูหมิ่นบุคคลอื่นแล้วก็ไม่ยอมรับนับถือใคร เรถือว่าเราก็เก่งไปแล้วทําให้เกิดหลงขึ้นมาในลักษณะต่างๆแล้วกระจายพร้อมที่จะกระจายออกไปอย่างอื่นเจนสมมุติว่าพอเราเห็นว่ายังมีคนที่ดีกว่าเราเราก็เกิดโลภะเกิดโลภะออกมามันก็กระจายตัวออกมาเป็นรูปของกิเลสประเภทตันหายทีนี้ประการต่อไปเ อ, เ อ, เอโซมเม อ, อตตาแปลว่านั่นเป็นตัวเป็นตนของเรา ก็ว่าเป็นตัวเป็นตนของเราตามที่พูดกันโดยปกติแล้วก็คือพูดกันให้เข้าใจง่ายๆเราแม่ที่บายโดยเนื้อแท้จริงๆเพราะว่าเวลาที่บายเนื้อแท้จริงๆมันก็ยากมันต้องพูดในชั้นเรียนแต่นั้นเองก็พูดแต่ภาษาที่เรียกว่าชาวบ้านเข้าใจคล้ายๆกับเราพูดว่าปานาแม่ฆ่าสัตว์อย่างนี้พูดภาษ า, ษาธรรมดาธรรมดาแบบเข้าใจกันเพราอแ้เเ่เราเรียนเราเรียนกันไขจริงๆแล้วไอ้ปานาไม่ได้หมายถึงฆ่าแม่ฆ่าสัตว์อย่างเดียว แต่หมายถึงการประพฤติผิดทุกรูปแบบที่เกี่ยวกับร่างกายของคนอื่นแม้แต่หยิกขวนก็ตา่างจถือว่าผิดศีลข้อ น, นี้ทั้งหมดและแต่ถ้าลองไปเทศอย่างนั้นแล้วยอมเลยขยาดศีลไม่ยอมข้าวัดเพราะนั้นก็ต้องเอายาบับหยาบไปก่อนก็พูดยบับหาพูดพอเข้าใจไปก่อนไอความยึดถือด้วยอำนาจทิฐิมันก็มีลักษณะเช่นเดียวกันที่เรานํามาพูดเราจะพูดว่ า, าถือตัวถือตนนะเป็นเหตุเป็นเราเป็นเขาเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้อะไรทอะไร เราจะพูดเพียงเท่านั้นแต่จะไม่กระจายออกไปโดยละเอียดเพราะถ้าละเอียดแล้วมันเป็นเรื่องที่จะต้องละได้ด้วยอริยมรรคเท่านั้นคือสามัญชนทั่วไปมันไ่ละไม่ได้ต้องสร้างอริยมรรคขึ้นมาให้ศีลนะฮะโดยเฉพาะคือศีลสมบูรณ์สมาธิระดับกลางปัญญาปอบประมาทมันจะทาลายความรู้สึกเหล่านี้ได้ปกติสามัญชนไปไม่รอด บางทีเราบวชเรียนมานานนะฮะไปยังนั่งปลูกเสกอะไรเฉยอันนี้ก็เป็นลักษณะของสักกายะคือสักกายทิฏฐิมันเป็นกิเลสสายโมหะที่รังอย่างรากลึกแต่ว่าตัวเขาเองไม่ได้ถึงกับละเอียดมากนะฮะคำว่าทิฏฐิที่เราแปลว่าความเห็นนั้นบางอย่างก็เป็นเรื่องของการถือรันคือถือกันไปในลักษณะว่าอย่างนี้เท่านั้น จริงอย่างอื่นไม่จริงครับที่เขาเรียกว่าสัจจังอภินิเวศพวกนี้จะปักลงไปในแนวเดียวเท่านั้นซึ่งจะเห็นได้ว่าคนระดับพระปัญญวคียนี้ที่ ท, ที่ควางเทศอนะัตตลกณะสูตรนี่ตั้งก็ถือแนวนั้นมา่ก่อนเพราะ ง, งั้นพอพระโพธิสัตว์เปลี่ยนความเพียนจากทุกขกรรมยามาเป็นประเภทเพีย น, นทางจิตะท่านก็บอกไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเลยทิ้งเลยนี่คือเป็นลักษณะของทิฏฐิอย่างหนึ่ง คือสัจจังอภินิเวศะอย่างนี้ท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงเพราะงั้นถ้าใครทําผิดไปจากนั้นถือว่าผิดแล้วไม่ถูกแล้วนี่คืออาการของทิฏฐิในลักษณะของการถือรันนะฮะทีนี้อีกประการหนึ่งก็เป็นการถือที่ประรุกรรมประรุปสังสารวัฏะะอย่างที่เคยกล่าวมาแล้วว่าส่วนมากที่ที่เป็นอันตรายจริงจริงท่านจะแสดงไว้ที่ประรุกรรมก็พูดไปสามข้อนะฮะประรุปสังสารวัฏก็พูดไปเพียงสองข้อ ส่วนอื่นไม่ค่อยจะมีปัญหาเท่าไหร่คือถึงว่าท่านจะแผลงแผลงไปบ้างแต่ว่าไม่ถึงกับไปห้ามสวรรค์ห้ามห้ามนิพพานอะไรท่าน น, าน่ะไอ้ไอ้นิพพานน่คงห้ามนะฮะแต่ว่าสวรรค์ไม่ห้ามก็คือหนึ่งปฏิเสธกรรมที่เรียกว่าอ ร, ริยญาณทิฏฐิสองปฏิเสธผลของกรรมนะถือว่าผลที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเป็นเรื่องบังเอิญนี่เฉย ที่เขามักอุ ป, ปมาว่ามันเหมือนกับคนกินหมากคือว่าไอหมากมันก็สีหนึ่งพูมก็สีหนึ่งปูมนมก็สีหนึ่งที่จริงมันไม่มีสีอะไรแดงแต่พอเคียเค้ยวๆก็ไปมันแดงเองเพราะงั้นไ อ, ไอสีแดงจึงเกิดขึ้นโดยบังเอิญส่วนมากแขกเขาจะอุ ป, ปมาหมากโดยโดยพวกนี้พยายามให้เหตุผลว่ามันไม่มีบุญไม่มีบาปเพราะว่าคนเรานั้นก็เรียกว่าอะไร คือเกิดมามันก็เสร็จแล้วก็จบลงที่จึงตะกอนเท่านั้นเองการกระทำทั้งหมดจึงไม่เป็นทั้งบุญทั้งบาปโดยก็อุปมาว่าเหมือนกับฟ้าผ่าต้นไม้เนี่ยฟ้าก็ไม่ได้บาปอะไรฝนรดตกรงต้นไม้ฝนก็ไม่ได้บุญอะไรซึ่ ง, ซ, ง, ซ, งซึ่งมันเป็นลักษณะความถือรั้นที่โมหะนะฮะพวกนี้เป็นอาการของโมหะคือถือรันแกไม่มีเหตุผลก็พูดเรื่องสิ่งมีชีวิตนะ่ะบาบุญเนี่ยบาบุญก็พูดถึงคนถึงสัตว์ แต่แกเอาไปเอาต้นไม้เอาสายฟ้าเอาฝนเข้ามาเป็นตัวอย่างแล้วมันจะพูดเรื่องบุญเรื่องบาปกันก็ไม่ได้อีกกลุ่มหนึ่งนั้นปฏิเสธหมดเลยไม่มีอะไรเลยนะนี่ก็เรียกว่าเป็นพวกมิดาทิจิอีกอย่างหนึ่งก็ถือว่าความเห็นในเรื่องสังสารวัฏถือว่าคนเราตายจากอะไรแล้วก็เป็นอย่างนั้นที่เรียกว่าสัตตตถทิจี หรือกับถือว่าตายแล้วก็ขาดศูนย์กันไปเลยนี้ก็แนวทั้งหมดนเป็นแนวทิฏฐิทั้งหมดเพราะฉะนั้นคนเราเราจะเห็นว่าเอาก็จริงแล้วมันจะอยู่ในข่ายของทิฏฐิพระเจ้าทรงจําแนกทิฏฐิเอาไว้ถึง62ทิฏฐิด้วยกันเป็นการประมวลทิฏฐิของคนในโลกทั้งหมดเข้ามาไว้ในพระสูตรพระสูตรเดียวถึงยังไงยังไงมันก็เกี่ยวอยู่กับทิฏฐิอันใดเนี่ย เรีว่าทิฏฐิยึดถือด้วยอำนาจทิฏฐิกาหะในที่นี้เป็นการพูดถึงวิปัสสนาเพราะว่านัตตลกนาสูตรเป็นการเทศเรื่องวิปัสสนานะฮะความยึดถือด้วยอำนาจทิฏฐิในที่นี้ที่จริงก็เป็นตัวเหตุให้เกิดทิฏฐิอย่างอื่นนั่นแหละมันจะออกมาในรูปของยึดถือในขันต่างห้าเนี่ยแต่มันจะยึดถือยึดถืออยู่4ลักษณะนะคือหนึ่งเราเป็นรูป แล้วก็2อรูปเป็นเราสํานวนสํานวนประญาหน่อยนะฮะเรามีในรูปรูปมีในเราหรือว่าตนพอเวทนามันก็เหมือนกันนะครคือสรุปง่ายๆว่าเวทนาก็มองเห็นเป็น4ี่แนวอย่างนี้สัญญาก็4แนวสังขารก็สแนวเป็นาณก็4แนวเพราะงั้นสี่หก็เลยก็เป็น20ทีนี้ไอ้คำว่าตนเป็นรูปรูปเป็นตนหรือว่ารูปเป็นเราเเป็นรูปในหมายความว่ารูปเป็นเรา หมายถึงว่าอัตภาพร่างกายเนี่ยคือเราพวกหนึ่งนะฮะพวกหนึ่งก็ถือว่าเราเนี่ยเป็นตนคือหมายถึงว่าไอ้ไอ้ไอ้สิง่งหนึ่งที่เขาเรียกว่าจิตใจชีโวอะไรเนี่ยชีวอัตมันอัตตาเนี่ยนั่นแหละคือตัวตนที่แท้จริงนี่ก็ถือว่าเรามีในเอ่อตนมีในเรานะฮะหรือตนมีในรูปตนมีในเวทนาเนี่ย หมายถึงว่าอคําว่าตนหรือว่าเราอะไรเนี่ยมันอยู่ในรูปเนี้ยมันมีอยู่ในรูปนี้คล้ายๆกับเป็นเป็นเป็นสิ่งเป็นชิ้นหนึ่งเป็นเป็นตัวตนอย่างหนึ่งที่ว่าไปมาได้สามารถเห็นได้เนี่ยอยู่อยู่มีอยู่ในในรูปนี้หรือบางพวกก็ถือว่าไอ้ตัวรูปเนี่ยรูปเวทนานะฮะทั้งหมดอ่ะมันถูกคุ้มห่อด้วยด้วยคําว่าตนด้วยสิ่งที่เรียกว่าตนตรงนั้น ตนจึงมีอยู่ภายในรูปเวทน า, นาตัณฑานิการนิจญาก็สรุปว่าก็เปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมานะฮะแต่ว่าในสั้นละเอียดแล้วท่านจะมองเห็นในลักษณะอย่างนั้นคือบางทีนี่เรายึดถือว่าตัวของเราเนี่ยร่างกายเนี่ยเป็นเราบางคนก็ถือว่าใจเนี่เป็นเราบางถือว่าบางคนก็ถือว่าใจนั้นอยู่ในเรา อ, อยู่ในร่างกายบางคนถือว่าร่างกายเนี่ยไ ม, ไม่ใช่คือใจเนี่ยคุมอควบคุมร่างกาย ก็แล้วแต่ใครจะคิดนะพอถึงเวทนาสัญญาตั้งขันวิญญาณเขาก็แนวเดียวกันเพราะนั้นก็เรียกว่าทิฏฐิ20ตามปกติจะเรียกว่าสักกายทิฏฐิยี่สกกายทิฏฐิยี่นั้นสักกายก็ถือว่าความความเป็นเรานะฮะความเป็นเราเป็นเป็นของเราก็มีอยู่ในขันทั้งห้าืออย่างละอย่างละสี่หก็20ซึ่งโดยความเป็นจริงแล้วมันไม่มีลักษณะอย่างนั้น เพาทั้งหมดมันเป็นกระบวนการของความไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นหน้าตาอย่างที่ทรงแสดงในตอนต้นไม่ว่าจะเป็นตันหามาหน้ทิฐิก็ตามเมื่อพระพุทธเจ้ารับสั่งถามว่าเป็นการสมควรไหมที่จะเห็นว่าเป็นของเราเป็นเราเป็นตัวเป็นตนของเราท่านปัญจวักคีก็กราบทูลว่าไม่เป็นการสมควรเลยพระพุทธเจ้าข้าทีนี้พอในช่วงที่สองนะฮะไม่ใช่ช่วงที่สองช่วงที่สช่วงที่สามได้ รับสั่งแสดงประมวลรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งหมดเลยเข้ามาไว้ไปอย่างที่บอกแล้วอย่าลืมนะฮะว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นในโลกนี้มันมันไม่เกินไปนั้นฮะไม่เกินจากรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในรูปที่รายละเอียดอย่างที่เคยพูดมาแล้ว <Jest> ก <ación> ็ทรงแสดงว่าดูกอรภิกษุทั้งหลายคือสรุปใเอาคันห้าเลยชาคำอัคันห้าไปเลยดูกอรภิกษุทั้งหลาย ขันห์อย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอดีตก็ดีอนาคตก็ดีปัจจุบันก็ดีหยาบก็ดีละเอียดก็ดีเลวก็ดีประนีก็ดีอยู่ไกลก็ดีอยู่ใกล้ก็ดีขันห้าทั้งหมดก็สักแต่ว่าขันห้าเท่านั้นไม่ใช่ของเราไม่เป็นเราไม่ใช่ตัวใช่ตนของเราแล้วก็รับสั่งตอกย้ำลงไปว่าเอวเมตางยาถาภูตางสำมัปปัญญายดัตตบังตัวนี้สาคัญ ดูก่อนพิสูุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงแล้วอย่างนี้ตามความเป็นจริงแล้วเรียกว่าสัมมปัญญาคือความเป็นจริงแล้วมันมันมันเป็นขบวนการธรรมชาติที่ตัวอยู่ในเงื่อนไขข้อใจรักเกินนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างที่กล่าวมาโดยลําดับแต่ะหมายความว่าความเข้าใจนั้นจะต้องจะต้องอ่านมาจากต้นพระสูตรกันเลยเราจะเชื่อมโยงกันมาโดยลาดับ พระเจ้าจะขยายแนวความคิดออกไปเรื่อยเพื่อเสริมสร้างฐานความเข้าใจของผู้ฟังเพราะว่าถ้านิ่งๆถ้าอธิบายละเอียดมากมันก็ไปไม่รอดคือเสริมให้แนวคิดไปเรื่อยๆซึ่งท่านตั้งหลายจะเห็นว่าการยึดถือด้วยอำนาจตัญหาก็ดีบานะก็ดีหรือแม้ทิฐิก็ดีของเราเนี่ยมันจะกระจายออกไปในการทั้งสามสมมติว่ายึดถือด้วยอำนาจตันหาที่มองได้ง่ายที่สุดนะฮะตัหาในในรูป เวทนาสัญญาสังขารวิญญาในอดีตมีเยอะนะฮะซึ่งตามปกติแล้วเรามักจะฝ่ายฝัยถนถึงเรื่องเหล่านั้นในอดีตอย่า ง, ง, งที่เคยบอกว่าคนแก่นั้นจะตึกนึกถึงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาในอดีตคนหนุ่มนั้นจะนึกถึงเรื่องอนาคตแล้วก็ไอเรื่องปัจจุบันนั้นก็นึกกันทุกค น, นะฮะยกฝ่ายฝันกันกันทุกคน ข้อต่อไปก็คือบางคนก็ชอบอยาบางคนกูนปณิดไม่แน่นะฮะั้งเอ่อยกตัวอย่างรู ป, ปง่ายๆเนี้ยบางคนชอบรูปยาบางคนชอบรูปปณิดแม้แต่รสอาหารกับข้าวเสื้อผ้าอะไรต่ออะไรก็ไม่เหมือนกันเพราะงั้นของที่ผลิดขึ้นมาจะเป็นยังไงก็มีคนชอบมีคนซื้อมีคนหาไปเรวก็ตามปนิดก็ตามอยู่ไกลก็ตามอยู่ใกล้ก็ตา ม, าตา ม, าตามนะฮะ อยูใกล้ก็ตามอยู่ใกล้ก็ตา ม, าตามบางคนเราก็ใจเราก็ฝ่ายฝันไปถึงที่ไกลที่ใกล้ที่อยกาก ท, ที่ละเอียดที่เลวที่ที่ประณีตก็ก็สรุปว่าทั้งหมดนะฮะทั้งหมดจะมีลักษณะยังไงก็ตามโดยสรุปแล้วก็คือเป็นเป็นสักแต่ว่าขัด5้าเ่านั้รูปเองก็สักแต่ว่ารูปเวทนาเองก็สักแต่ว่าเวทนาสัญญาเองก็สักแต่ว่าสัญญาสังขารเองก็สักแต่ว่าสังขารญญาขาขวาาิญญาณเองก็สักแต่ว่าวิญญาณแต่นั้นเองไม่ใช่ของเราโดยเหตุผลอย่างกล่าวแล้ว นะไม่ใช่ไม่ไม่เป็นเราไม่ใช่ตัวใช่ตนของเราแต่ว่าทรงแสดงในตอนตอนสรุปนี้ว่าเอวเมตังยถาภูตั ง, าาตงสมัปปัญญายะดตตัติพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงอย่างนี้ซึ่งก็หมายความว่าคําว่าเห็นในที่นี้ก็ไม่จะเห็นด้วยตานะฮะแต่แต่แต่จะต้องเป็นการเห็นด้วยปัญญา ซึ่งผ่านการปฏิบัติมาในระดับที่เรียกว่าความเห็นนั้นเราวิสุทธ์คือทิฏฐิวิสุทธ์เป็นความเห็นที่บริสุทธิ์ถูกตรงตามความเป็นจริงแล้วเมื่อเห็นแล้วก็สามารถขจัดความสงสัยไหนการสามได้เราจะเห็นว่าเราเราจะคิดถึงอดีตคนเวลาพูดถึงชาติก่อนเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขที่เราไปคิดว่าที่เราเคยเกิดมาแล้วหรือไม่นะชาติก่อนหรือว่าเราไม่เคยเกิดมาแล้ว ถ้าเราเกิดเราเกิดเป็นอะไรแล้วเกิดเป็นยังไงแล้วเกิดจากชาติชาตินั้นแล้วเราเกิดเป็นอะไรคือมันจะมีความสงสัยในลักษณะนี้ถ้าลองวิเคราะห์จิตดูนะฮะแล้วอาจจะพอปรารบอนาคตมันก็อีกไอ้ชาติก็เออต่อไปเราจะเกิดอีกไหมนะถ้าเกิดจะไปเกิดที่ไหนจะเกิดยังไงแล้วต่อไปจะเกิดเป็นอะไรมันจะมีความสงสัยอย่างเงี้ยฮะปราลบการทั้งสามปัจจุบันมันก็มีลักษณะ ให้เรานี่มันมันเป็นไผ่ให้เรามายากไหนให้เราเป็นยังไงก็ <c ười> จะมีคําถามเกิดขึ้นลองลองตรวจสอบดูตัวเองที่ป ร, รารถนาทั้งสามฮะเราเราจะมีความข้องใจอยู่ตลอดเลยมีความข้องใจมีความสงสัยในเรื่องเหล่านี้อยู่ตลอดแ <c ười> ม้แต่ชาวพุทธเราเองบางทีเป็นพระโดยทั้ไปนะเขียนคําไว้อะไร ตรท้ายพราหาควาชาติหน้ามีจริงก็ขอให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้คือแสดงก่ายังมีความสงสัยในในเรื่องสังสารวัฏอยู่แยะเลยมันเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความเคลื่นใจจริงๆเรายัางไม่มั่นใจอะไรในเรื่องเหล่านี้เพราะงั้นคำว่าความเห็นในที่นี้จึงต้องผ่านความสงสัยเหล่านั้นไปได้คือขจัดความสงสัยเหล่านั้นได้แล้วก็มียานความรู้ถึง ว่าอะไรเป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้เกิดเพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์หรือความเห็นแบ น, นั้นแล้วกําหนดแนวทางการปฏิบัติได้จนเกิดมาเป็น่ความรู้ความเห็นที่วิสุทธิ์ซึ่งแน่นอ น, นะฮะโดยสรุปก็คือศีลสมาธิปัญญาหรืออะไรมากมีองแปะก็พูดไปพูดมาก็มัน ก, ก็ก็ไม่ทิ้งหลักนั้นนะฮะพอการปฏิบัติไม่ว่าใครจะอ้อมค้อมาอย่างไงก็ตามถ้าไม่ลงศีลสมาธิปัญญาแล้วก็ไม่ไม่ไปถึงเป้าหรนั้น ก็จะมีอยู่ป้าวเดียวคือศีลสมาธิปัญญาหรืออะไรมากสมรปัญญาก็จะเกิดขึด้นสมรปัญญาเนี่ยคือปัญญาที่รู้เห็นตามความเป็นจริงอย่างแท้จริงของสิ่งเหล่า น, นั้นแต่ว่าความรู้ความเห็นอย่างแท้จริงในลักษณะนี้อย่าลืมเรื่องที่เรียกว่าท่านเห็นสองด้านคือเห็นสมมติสั จ, จกับตัวปรมาตทศสั จ, จ ในชั้นสมมติท่าก็ปฏิบัติตัวถูกต้องในชั้นสมมุติไม่มีอะไรเลยไม่มีปัญหานะฮะพระริยเจ้าจึงเคารพกฎเกณฑ์ระเบียบบิ น, นัยเงื่อนไขต่างๆที่มีอยู่ในสังคมทั้งหมดเลยแต่ไม่ไปละเมิดกฎเกณฑ์เหล่านั้นของสังคมในแง่บิ น, นัยพระพุทธเจ้าสงใชยคำว่าราชานหรวัตนุตรวัติตุ ง, ตงคือให้คล้อยตามบ้านเมืองเป็นเรื่องของโลก โล ก, กสมัญญาคือการกำหนดหมายของโลกโล ก, กโวหารภาษาของชาวโลกโวหารของชาวโลกโลกกนิรุตภาษาของชาวโลกโลกสมมติคือชาวโลกก็สมมติกันเอาอย่างนั้นเอาอยางนั้นก็ไม่ได้ว่าอะไรอย่างที่เคยยกตัวอย่างฟังออพอเสร็จแล้วทงแสดงสรุปนะฮะแสดงสรุปว่าเอวังปัสสังพิกเวสุตตวาอริยสาวกอ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยาสาวกผู้ได้สดับแล้วนะผู้ได้สดับแล้วพิจารณาแล้วเห็นอยู่อย่างนี้คือมันจะต้องผ่านขั้นตอนนะฮะไม่จะฟังเฉยๆฟังแล้วจะต้องพิจารณาให้เห็นตามปัจจัยลักพิจารณาตามปัจจัยรักพิจารณาแล้วพิจารณาไว้เนี่ยมันไม่เที่ยงเพราะอะไรเพราะว่าเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมีความเปลี่ยนแปลงแปรปรปวนดำรงอยู่ได้ชั่วขณะหนึ่งอะไรเนี่ยแล้วจนเห็น เห็นในลักษณะดังกล่าวนะฮะเห็นอยู่อย่างนี้ก็ทรงใช้คําว่ารูปัสมิงปินิบินติย่อมเบือน่ายในรูปย่อมเบือนนายในเวทนาเบือนนายในสัญญาเบื่อนนายในสังขารเบือหน่ายในบิณ ญ, ญาณเบือนนายสิ่งซึ่งเราเคยยึดถือว่าเป็นของเราว่าเป็นเราว่าเป็นตัวเป็นตนของเราเนี่ยเราจะเริ่มเบือหน่ายนะไม่หลงไม่ยึดไม่ติดอะไรมากเกินไปแต่ไม่ใช่ไปนั่งเซง็งไม่รู้ไม่ชี้นะฮะไม่ได้หมายความอย่างนั้น หมายความว่าจิตจะสำรอกไอ้ความยึดความติดความเกี่ยวพนาพนาเอาใจตัวเองมากเกินไปนะฮะคือคื อ, ค, อคือให้ความสำคัญแก่ตัวมากเกินไปเนี่ยแต่ไม่มีลักษณะอย่างนั้นมันจะเริ่มคลายกันไปเรื่อยๆพอเบื่อหน่ายมากข้ามันก็คลายความกำหนัดความยึดจิตยึดจิตว่าอะไรก็ยึดยึดยึดจิตว่าของเราว่าเป็นเราว่าเป็นตัวของตนเป็นตนของเราดังกล่าวเนี่ยแล้วโดยเฉพาะก็คือต่ออารมณ์ทั้งหลาย อารมณ์ทั้งหลายที่ผ่านมาในชีวิตของเรานะฮะคือสิที่เราเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูสูดดมด้วยจมูกริ้มด้วยลิ้นถูกต้องด้วยกายแล้วก็ตึกนึงด้วยใจเนะี่ยฮะคือใจเราจะมีความรู้สึกถ้าตกลงไปในกระแสกิเลสมันจะมีอยู่สี่แนวคือกำหนัดขัดเคืองแล้วก็ลุ่มห ล, มลมมวงโมหมอถ้าอีกฟากหนึ่งก็คืออะไรก็คือคลายกำหนัดคลายความขัดเคืองหรือประกอบด้วยเมตตา แล้วก็ไม่หลงคือรู้ไม่มัวเมาคือมีสติมันก็มีอยู่สองภากเพราะงั้นสิ่งที่ผ่านมาในชีวิตเราเราจะมองเห็นเป็นสองภาคอย่างนีป้ปัญหาว่าจิตมันจะตกอยู่ที่ฝากไหนนั่นก็เป็นอีกเรื่องแต่เราจะมองอยู่สองแนวอย่างเงี้ยหือถ้าตกฝายกิเลกก็จะเกิดกำหนัดขัดเคืองลุ่มหลงมัวเมาไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่ง เ, เพราะงั้นอาการนี้ที่เฉยๆมันก็เป็นอาการของหลงนะฮะคือไม่รู้อ่ะไม่รู้อะไรอ่ะเป็นอาการของหลง แล้วก็ฝ่ายตรงกันข้ามมันก็เป็นกุศลพวกความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงที่ออกมาสีแนวก็คือโลภหลงโลภโกรธหลงก็สรุปว่าสรุปว่ามันก็มาจากเชื้อสายของกิเลสสองสามสายสามสกุลอย่างที่เคยพูดมาในวันแรกต่อไปก็พอเบื่อหน่ายก็คลายกำหนัดพอคลายกำหนัดในจิตมันจะพ้น จิตจะหลุดพ้นจากอะไรหลุดพ้นจากความว่าไอ้สิ่งนี้เป็นของเราอ้ น, นั่นเป็นเราอ้ น, นันเป็นตัวเป็นตนของเราเนี่ยจะพ้นจากความยึดจิตในลักษณะนั้นซึ่งในที่นี้ให้สังเกตะฮะว่าในธรรมาจากทรงแสดงหลุดพ้นจากตัณหานะฮะแต่ในที่นี้ทรงหลุดพ้นจากกาหะสามคือยึดถือเรืยหน้าตัณหามาณทิจิแต่ทิจ ท, ที่น้อนแสดงเรื่องตัณหา ทำไมมันมั น, ม น, มนแตกต่างกันยังไงที่จริงไม่ได้แตกต่างอะไรกันคือพูดถึงกิเลสนี่จะพูดถึงกิเลสอะไรก็ได้มันมีราก ง, ง่าอันเดียวกันอยู่ที่อวิชชาถ้าละได้จริงๆต้องทำลายวิชาได้พูดเรื่องตัณหาก็คือก็คือละที่อวิชชาได้ด้วยพูดถึงมานะพูดถึงพูดถึงตัณหามานะทิจมันก็ละที่อวิชชาได้ เวลาทรงแสดงทรงแสดงการบรรลุพระญาณของโระงเนี่ยอวิชชาความไม่รู้อวิชชาบังเกิดขึ้นอวิชชาดับไปใช่ครับวิชชาบังเกิดขึ้นอวิชชาดับไปคือคือวิชชาต้องบังเกิดขึ้นก่อนนะฮะแล้วอวิชชาจึงดับไปเหมือนแสงสว่างบังเกิดขึ้นก่อนความมืดดับไปแล้วจะพูดอย่างเงี้ยทุกตอนทุกตอนนะวิชชาเกิดขึ้นอวิชชาดับไปนะทำให้เรารู้ถึงชาติก่อนแล้วก็พอพูดถึงพระญาณที่สองก็จะคาครับว่างนั้นองอวิชชาเกิดขึ้นอวิชชาดับไป แล้วก็พูดถึงทําให้พระองค์ได้ทิประจกักษุรูกร้การจิตการบุญบาปกงศ์ษต่างๆจะมีลักษณะอย่างไรเพราะงั้ น, น, นชื่อของกิเลสที่ปรากฏในพระสูตรต่างๆก็ไม่ต้องไปติดใจว่าทำไมจึงว่างม า, กม า, กายก่กองนักหนาเพราะเขพูดถึงกิเลสพันหนะฮะกิเลสพันหนี่ยังยังนึกขำนั่งหลว ง, งปู่ที่นคร น, นะเจ้าคุณรัตนทัตสมุนีแบนกันถาพาระโ น, นเอาไปเทศไปเทศที่จังหวัดพัทลงุง เจ้าคณะจังหวัดองค์นั้นท่านถามคือลุงปูน่นี่ท่านอายุแปดสิบกว่าแล้วตอนท่านมรณภาพอายุเก้าสิบหกแต่ถ้าเป็นคนหัวสมัยใหม่คือท่านไม่ไปได้คิดแบบตัวเลขอย่างที่นกนเด็แต่เขาถามว่าไอ้กิเลสพนะันห้าเนี่ยมันอะไรอาจารย์เจ้าคุณนั บ, บางก็นับมันไม่ไหวแล้วแต่สรุปมันพันอยู่ที่ขันห้านะพอเืลองกิเลสออกจากขันห้ามันก็มันก็หมดกิเลสจะเรียกชื่อยังไงไม่สําคัญ คือความความคิดความอ่านท่านคมฮะของปูน่นี่แล้วก็กถามอะไรเนี่ก็ถามแปลกแปลกถามเรื่องนางมัตรีนะฮะว่าทำไมไอ้เทวดาสามสามองค์จึงมาขัดขวางนางมัตรีแปลงเป็นออสามสัตว์นะฮะปู่บอกไม่ได้แปลงเตื้งอะไรหรอกนางมัตรีแกขขวัญร้ายนอนไม่หลับตั้งแต่กลางคืนมาแล้วออกมาจากอาสมก็เป็นห่วงลูก ร้องไห้มาด้วยน้ำตามันก็คลอตาก็ดูใบไม้เป็นไอ้ดูลูกไม้เป็นใบไม้นี่พอแกนั่งอยู่พักหนึ่งนั่งไหว้ก้อนหินอยู่พักหนึ่งไที่นึกเป็นสือเป็นสิงสัตว์นั่งไหว้แล้วก็ตามันก็จินไก่อากาศในขณะนั้นบรรยากาศในขณะนั้นมันก็เห็นผลไม้เป็นผลไม้เห็นใบไม้เป็นใบไม้แกก็เก็บได้กับทานั้นเองคือว่าท่านท่านท่านจะมองปัญหาในในอีกมุมหนึ่งเพื่อให้เห็นว่า ในการเหล่นี้มันเกิดขึ้นได้เพราะถ้าเป็นงั้นไปโยนความผิดให้เทวดาหมดเลยแทนที่ว่าจะจะไปวิเคราะห์ตัวเองไปโยนความผิดข้างนอกเกือคือเป็นพระเทราชที่หัวสมัยใหม่มากเลยอายุตั้งแปดเก้าสิบแล้วพูดนิทันสมัยเปรียบเลยอเด็กฟังได้ตลาดนี่ก็แวะมาหน่อยนะฮทีนี้ต่อไปเมื่อจิตหลุดพ้นนะฮะจิตหลุดพ้นก็เกิดญาณรู้ว่ามันมันมันเวลาจิตหลุดพ้นต้องมียาณขึ้นรู้นะฮะ มียานเกิดขึ้นรู้ขึ้นมาว่าบัดนี้เราหลุดคนแล้วซึ่งท่านทั้งหลายจะเห็นว่าในธรรมจักที่พูดมาในสุรก่อนนะฮะธรรมจกักพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงว่ายานันจะปนะเมดัชนังอุะดะปาดิก็แลยานคือความรู้ได้บังได้ผุดเกิดขึ้นแกเรานะฮะคือคือลักษณะของยานเนี่ยเป็นความรู้ที่เกิดผุดขึ้นไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเรื่องความคิดนะฮะฐานที่สําคัญที่สุดเนี่ย ด้วยชาพูดเราต้องแยกให้ออกเลยว่าไอ้คําว่าญาณ น, นั้นไม่ใช่ว่านั่งคิดๆเอาแล้วก็ถือว่าเป็นญาณแล้วแต่ญาณจะต้องเป็นผลผสมผลที่เกิดขึ้นอย่างที่อามาอุปมาเหมือนเราทํากับข้าวเนี่ยทาข้าวเครื่องผสมต่างๆขึ้นไปแล้วมันจะมีรสขึ้นมาอีกรสหนึ่งซึ่งเราถือรสอะไรก็ไม่รู้แล้วก็รสเครื่องปรุงเนี่ยแต่เครื่องปรุงมันครบก็นแล้วกันแหละรสรสเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นแต่เราจะถือเป็นรสพริกรสเกลือรสอะไรไม่ได้ มันเป็นรถจากการผสมของสิ่งเหล่านั้นการปฏิบัติก็เหมือนกันสรุปรวมลงที่อะเรมาสเมื่อปฏิบัติไปแล้วเนี่ยฮะถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะเกิดเป็นสัมมาญาณะขึ้นมาคือความรู้ชอบความรู้ในทางที่ชอบพอเกิดญาณรู้รู้ว่าจิตเราหลุดพ้นแล้วดังนี้นะพอหลุดพ้นแล้วท่านก็รู้ต่อไปเลยว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทําได้ทําเสร็จแล้วกิจอื่นอีกเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้ ก็มีประเด็นที่ควรทำความเข้าใจนะฮะว่าความรู้ความเห็นทั้งหมดนั้นเป็นความเปลี่ยนแปลงทางจิตที่เกิดขึ้นมาจากการปฏิบัติแบบพัฒนาการทางการศึกษานะฮะแบบพัฒนาการทางการศึกษาซึ่งเราสามารถที่จะเปรียบเทียบได้ว่าในจุดเดียวกันในเรื่องเดียวกันเนี่ยแต่ว่าตัวไอความรู้ที่เก็บสะสมไว้ในกรณีนี้ของบุคคล น, นั้นแตกต่างกัน คือจะเห็นสิ่งเหล่านั้นไม่เหมือนกันมองได้ลึกซึ้งแตกต่างกันที่ท่านท่านอุปมาความอุปมาอะอุปมาวิญญาณสัญญากับปัญญาซึ่งเป็นอาการของปัญญาทั้งหมดนะฮะที่จริงแต่ความรู้ระดับของวิญญาณเนะะี่ยมันเป็นความรู้ระดับหนึ่งความรู้สัญญาก็เป็นระดับหนะ่งยังว่าสัญญาจะที่เราเรียกว่ารู้จํานีฮะรู้พระจำก็ยังรู้แบบนกแก้วนกขุนทองอ คือก็สอนนะว่าอย่างไงก็จำได้อันยกตัวอย่างการรู้กาหาปัะหารู้เงินรู้ทองอ่ะรู้ธนบัตรเด็กแกก็รู้ไอ้นี่องสลึงแต่ว่าไอ้ไอ้นี่ใบละหาบาทแต่ว่าไอรายละเอียดมากไปกว่านั้นบางทีเออซื้อสองบาทจะทอนเท่าไหร่็ยังไม่รู้่เด็กบางคนนะทีนี้รู้ระดับวิญญาณนะมันก็รู้ละเอียดขึ้นแบบผู้ใหญ่นะเราจะเห็นว่าไอธนบัตรใบละหบาทด้วยกันเนี่ยแต่ผู้ใหญ่จะรู้ละเอียดขึ้น พอจะถึงอะไรอธิบดีกรมธนารักษ์อะไรเนี่ยแกสามารถที่จะแยกได้ละเอียดกว่า น, นั้นคือรู้ตลอดทั้งทงั้จะเป็นเรื่องเดียวกันเพราะฉะนั้นไอ้ตัวอย่างความรู้ก็มีลักษณะอย่างนีน้คือมันแต่ว่าทั้งหมดมันจะเป็นผลรวมมาจากการปฏิบัติทั้งหมดแต่เนื่องจากองค์ประกอบที่ให้เกิดเป็นตัวอย่างคือความรู้ก็ไม่ไม่ได้เหมือนกันทําให้ขอบข่ายของยาน แต่ละองค์ไม่เท่ากันไม่เท่ากันอย่างพระโสดาบันทั้งก็มียานระดับหนึ่งพระสกิตาคาทั้งก็ยานระดับหนึ่งพระนาคาก็ระดับหนึ่งพระอรหันต์ก็ระดับหนึ่งแต่ทีนี้เนื่องจากไอบารมีในอดีตของคนเราไม่เหมือนกันพระอรหันต์ด้วยกันเองจริงๆนั้นที่เหมือนกันจริงๆนั้นเหมือนกันตอนหมดกิเลสอนนั้นเองกิเลสหมดเหมือนกันนะแต่คุณสมบัติแล้วไม่เหมือนกันแม้แต่ในจุดเดียวกันเช่นยกตัวอย่างมาทิพย์ปิจักสุอย่างเงี้ยมีตาทิพย์อย่างเงี้ย ไอ้ยอดตาทิพย์จะมีเฉพาะพระอนุรุตท่านั้น ท, ท, ทั้งๆที่พระโมคคัลลานะทั้งกัตาทิพย์เหมือนกันคือใครๆก็ได้ที่ไปจากสู่ทั้งหมดแต่ว่าชั้นยอดจริงๆนั้นก็คือพระอนุรนุตท่านหรือพวกระดับมหาอภิญญาเนี่ยระดับมหาอภิญญาที่คือหมายความว่าสมบูรณ์ทั้งอภิน ญ, ญาระดับยอดอภิญยาเนะี่ยมีหเป็นระดับยอดมันก็มีเพียงห้าหกองเท่านั้น นี่คุณสมบัติพิเศษแต่ว่าโซนกิเลสแล้วก็หมดเหมือนกันนะฮะเหมือนกันในจุดนี้จุดเดียวเท่านั้นเองส่วนจุดอื่นแล้วจะต้องมีเหลื่อมล้าต่ำสูงกันอยู่คุณสมบัติไม่ไม่เท่ากันเอ่อตอนนี้เมื่อเกิดยานหรือว่าเราหลุดพ้นนะเกิดยานหรือว่าเราหลุดพ้นแล้วต้องเกิดยา น, นะะทีนี้ท่านจะเห็นว่าหลักในศาสนานี้จะจะประยุติกันหมดเลยที่จมาพูดในธรรมจักรตนนึกออกนะฮะ ว่าเราพูดถึงญาณสามข้อว่ารู้อริยสัจสี่แม้ในลักษณะอย่างนี้ก็เหมือนกันพอเป็นความรู้จริงก็รู้ในอริยสัจสี่นั่นแหละมันก็เพิ่มจากที่รู้แล้วก็หนึ่งรู้ความจริงของอริยสัจเรียกว่าสัตจะญาติรู้กิจที่ควรทําในอริยสัจแต่ละข้อเรียกว่ากิจตะญาติแล้วรู้ว่าได้ทําแล้วต้องรู้ว่าได้ทําแล้วด้วยไม่ใช่รู้เพียงสองขั้นนะจะบรรลุต้องรู้ว่าได้ทําแล้วเพราะงั้นตรงนี้ก็เหมือนกันนะฮะ เกิดยานผุดขึ้นเมื่อเบื่อนาย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจิตจึงพ้นเพราะจิตพ้นต้องรู้ว่าเราหลุดพ้นเราหลุดพ้นแล้วดังนี้นี้ถือว่าเป็นความรู้ที่จริงพอหลุดพ้นแล้วมันก็ถึงการวินิจฉัยได้ตัดสินได้ประคีนาชาติชาติสิ้นแล้วนี้เป็นประเด็นที่ต้องนึกไว้นะฮะว่าเหมือนตรงกับที่ประญาณทเกิดขึ้นแก่กรุตจ เหมือนกันเลยลงตัวกันเลยของพระพุทธเจ้า ก, ก้อนแลยานได้บังเกิดขึ้นแล้วแกเราว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายพบใหม่ไม่ได้มีอีกต่อไปนี่คือประเด็นหลักอย่าลืมเรื่องประเด็นหลักเอาไว้แล้วก็พอเกิดแก่พระอาหารหันต์อีกห้ารูปเนี่ยก็เกิดว่าชาติชาติสิ้นแล้วคือหมายความว่าการบังเกิดในกำเนิดในพบต่างๆนั้นยุติแล้ว คือไม่ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัติอีกต่อไปเมื่อคืนวานเนี่ยเขาส่งเทปมาให้ฟังอาจารย์องค์หนึ่งก็ อ, อธิบายเรื่องอะไรเรื่องนิพพานฮะบ่อยพบพระอารามทั้งหลายนี่มีรูปโปร่งแสงวัตถุเป็นวัตถุที่โปร่งแสงตัวใสเหมือนแก้วแล้วก็ท่านก็นอ้างบาลีมาก็ฟังออกนะฮะว่ารู้ว่าอ้างมาจากพระสูตรไหน รู้ว่าประสูตยไหนที่ฟังเนี่ยรู้ฮะแต่ในประสูนยทําไม่ได้ว่าอย่างนั้นเนี่ยก็ก็นึกคํำามดีเหมือนกันว่าเออก็ทั้งกระดาน้ําได้เรียบร้อยดีเนี่ยก็ไปได้ดีเพราะว่าไปใจใจใจใจใจประสูตยทุกประศูนย์ที่ท่านอ้างมาทั้งหมดแต่มาบอกได้ทั้งหมดเลยว่าพระสูนยไหนแต่พระสูนยนั้นไม่ได้ว่าอย่างนั้นไม่ได้ว่าอย่างนั้นน่ะคือเราจะเห็นว่าประเด็นนี้ที่จริงไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่าห่วงอะไร ถ้าเรายังไม่ทิ้งอริยมรรคนะฮะเพราะว่าเวลาเราปฏิบัติไปแล้วเราก็จะสัมผัสได้โดยตัวเองว่าไอ้ น, นี้พ่านที่แท้จริงมันคืออะไรตรงนี้เราจึงไม่ถือว่าเป็นเรื่องเสียหายนะฮไว้เถอะเพราะว่าท่านท่านอย่าหลักไอ้อย่าละทิ้ง้กฎของอริยมรรคกันแล้วกันเนี่ยเวลาท่านสอนท่านไม่ทิ้งแต่ว่าท่านอ้างเนมันขามนะนั้นเองนั่นอ้างเนีมันขามว่าพระไตรปิฎกก็บอกไว้ จะบอกว่าพระพุทธเจ้าเองก็ไปเห็นพระพุทธเจ้าในอดีตไอ้คำว่าเห็นนั้นมันไม่ใช่เห็นด้วยตาอย่างนั้นพระพุทธเจ้าบอกม่เรามีญาณอย่างรู้มีญาณอย่างรู้ด้วยบุเพนิวาสารนิตยานะะที่ส่งแสดงประวัติของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนั้นแสดงด้วยพระญาณไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตมาเล่าให้ฟังก็พระสูตบอกต้งๆนี่ไม่ได้เห็นมีถ้อยคําอะไรที่บอกว่าพระพุทธเจ้าในอดีตมาเยี่ยมพระพุทธเจ้าไม่ได้ว่าอย่างนั้นนะฮะไม่มีหรอก พูดเรื่อยเจื่อยไปแต่ว่าก็ก็แปลกดีนะฮะคือท่านว่ามาได้ตลอดเลยมาฟังอยู่ถึงตีสองนะี่คือนั่นนะจะ<ม>สนุกดี <laughs> นี่ก็แต่มาเองไม่ตำหนิท่านนะเพราะว่ายังไงเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องเสียหายหรอกเพราะว่าคนบางคนมันมีภาวะตัณหาคืออยากนิพพานฮะแต่อยากเกิดอยากได้นิพพานด้วยแต่อยากเกิดด้วย คืออยากจะอยู่เป็นสุขเตเอกันตะบรมสุเพราะงั้นแนวของสุขาวดีอยู่ในสวรรค์ชั้นสุขาวดีเนี่ยสุขาวดีบายุวสูตรนี่เขาแสดงเอาไว้ในมห า, ายานโอ้ยพิสดารมากแล้วก็นิพพานเมืองแก้วอะไรเนี่ยคนจึงชอบเพราะงั้นไปเถอะไม่เป็นไรครับช่างมแหละไปถึงวันหลังก็จะรู้เอง นะเมื่อเมื่อปฏิบัติไปแล้วจะรู้เองเพราะลักษณะของนิพพานเนี่ยไม่ใช่ลักษณะจะนำมาอธิบายเป็นเรื่องปัจจตังเวทิตาโบวินยุจิวินญุชนจะรู้เฉพาะตนเท่านั้นเองประเด็นเพียงเพียงเท่านี้อย่าไปถือให้มันเกิดความแตกแยกไม่ใช่ไม่ไม่ถึงกับเสียหายนะฮะไม่ถึงกับเสียหายแต่ว่าท่านท่านเองท่านก็ผิดแหละเพราะมันมันไม่ตรงกับปัจจัยวิโตกขีนาชาติชาติสิ้นแล้ว คือหมายความว่าการจะบังเกิดในสังสารวัฏนี่ไม่มีอีกซึ่งเวลาจะพูดในประเด็นนี้พระเจ้าจะพูดในรูปอุปมาเพราะว่าภาษานิพานเนี่ยไม่ใช่ภาษาพูดคือภาษาจะเอามาพูดกันไม่ได้ก็จะโทษงอุปมาพูดในอุปมาเช่นว่าเอาไฟมาจุดขึ้นนะพอเชื้อมันหมดเวลาเวลาไฟมีเชื้ออยู่มันก็ลุกไหม้อยู่เรื่อ ย, อ ย, อยๆพอหมดเชื้อเนี่ยจะถามว่าไฟมันหายไปไหน ถาว่าไฟหายไปไหมบอกา ห, า ห, าไไ ห, หายไปหายไปไหนไม่รู้หายไปเปล่าหายแต่ถ้าบอกที่ไป ไ, ไม่รู้มันหมดเชือ้อมันไม่ต้องพูดกันแหละมันหมดเชื้อไปแล้วบันเป็นการดับแบบไม่มีเชือ้อคือเราจะพูดว่าไฟไม่ดับเลยก็ไม่ได้มันดับนะฮะแต่ว่าถามว่าไปดับแล้วไปอยู่ที่ไหนไม่รู้ไม่ต้องพูดกันมันเลิกพูดมันพ้นบัญญัติแล้วมันหมดเชื้อที่จะพูดอล้แต่ถ้าไปพอมันดับจากตรงนี้แล้วไป เกี่ยวกับใบไม้อะไรมันลุกไหม้ต่อเออนะ่ยมันบอกได้มันอยู่ที่นั่นนี่มันดับแล้วเนี่ยมันดับหมดเชื่อเลยคีนาา่าชาติชาติสิ้นแล้วจึงหมายถึงว่าไม่บังเกิดในสังสารวัฏนะฮะเราจะเห็นว่ายุติกันทั้งสองพื้นที่ที่เป็นพระพุทธธํารัตนเนี่ยแล้วพุ้สิตางพระมจริย์พระมจริย์คือการจะต้องประพฤติปฏิบัติในลักษณะเพื่อละนะฮะเพื่อละเพื่อบําเพ็ญอย่าลืมว่าเอาก็จริงๆมันก็ปรารนาภาวนาละกับบําเพ็ญแต่นั้นเองธรรมะในศาสนาเนี่ย ละชั่วประพฤติดีพูดไปพูดมาแต่กินในลักษณะ น, นี้หมดแล้วแต่อย่าลืมว่าคําว่าพ um รหมจรรย์พรหมจรรย์จะมีลักษณะของการปฏิบัติเพื่อละเพื่อบําเพ็ญคือเรียกว่าเพื่อละความชั่วประพฤติความดีทั้งหมดที่แน่นขอบคายของการปฏิบัติที่เรียกว่าพ um รหมจรรย์พรหมจรรย์แปลว่าประพฤติประเสริฐประพฤติเหมือนพรหมนะประพฤติความดีความงามทั้งหลายเนี่ยเรียกว่าพรหมจรรย์นั่นัอง พระมหัจจานี้เปิดโอกาสกว้างสำหรับทุกคนนะถ้าเป็นภาษาธรรมะแล้วกว้างทุกคนเลยไม่มีใครที่เ อ, อ่อที่ถูกปิดกั้นไม่ให้ประพฤติพรมหจจัน์แต่ถ้าภาษาวินัยแล้วก็ก็แน่นอนนะฮะมันจะต้องเป็นอย่า ง, งานั้นอย่างนี้ถ้าภาษาธรรมะแล้วไม่ภาษาธรรมะนี่อะไรนะฮะสทารสันโดดง่ายที่สุดนะฮะสทารสันโดดคือสามียินดีเฉพาะในพัญญาตน นะพัญญาินดีเฉพาะสามีตนนั้นเป็นพรหมจักร ต, ยตายขึ้นไปจากนั้นเลยแล้วก็ไอศีนแปข้อเดียวเมถุนวิราชข้อที่เเนะส เ, เ, นนะเนี่ยก็เป็นจะอ่าเป็นพรหมจักรนะศีนห้าเองก็เป็นพรหมจักรนะพรหมหันศีนี่ก็เป็นพรหมจักรนะโอมโบสดศีนก็เป็นพรหมจักรนะซึ่งท่านทั้งหลายจะเห็นว่าคำสัตว์เป็นพรหมจันรเปิดกว้างนะแกแต่ว่าอย่าลืมว่าพวกนี้คือการละการบําเพ็ญ การละความชั่วประพฤติความดีก็ ส, สรุปว่าปะหานาภาวน า, างที่เราพูดเนี่ยแต่ว่าพระอรหันต์นั้นจะไม่มีคําว่าพรหมจรรย์ไม่มีคําว่าไม่มีคําว่าพรหมจรรย์คือการละการําเพ็ญ น, นะฮะแต่การพรหมจรรย์นในรูปของวินัยนั้นต้องประพฤตินะประพฤติระเบียบกฎเกณฑ์เงื่อนไขาทางวินัยเป็นยังไงท่านต้องประพฤติแต่คําว่าพรหมจรรย์นในความหมายนี้หมายคือว่าละกิเลสกิเลส ท, ที่ต้องละมันหมดแล้ว สมะที่จะต้องปฏิบัติก็สมบูรณ์แล้วเพราะงั้นพรหมจันทร์เราได้อยู่จบแล้วเป็นภาษาทางทางทางธรรมะไม่ใช่ทางทางวินัยไม่ใช่ว่าภาระหันละเมิดวินัยได้ไม่ใช่อย่างนั้นคือมันหมดที่จะต้องสํารวมต้องระวังอะไรแล้วท่านเป็นไปโดยอัตโนมัติหมดเลยเงื่อนไขของของวินัยนะฮะทีนี้ในการปฏิบัติของท่านการทางานของท่าน ท่านเที่ยวจาริกไปสั่งสอนอบรมแนะนําประชาชนอย่างหกสรูปแรกนะฮะเรียกว่ายุบยุคบุกเบิก60ิรูปที่จริงก็90้าสรูปนะฮะเพิ่มท่านพระตะวกขีก็ไปอีกส0สิบรูปหายจอมไปเลยก็แสดงว่าท่านไปกันสุดกูเลยก็ตะลุยสอนไปคนละทิศนี่ยมุ่งไปคนละทิศเนี่ยแยกคนเดียวหกสิคนออกไปคนละทิศมันจะมันเดินง่ายไปไหนละก็แสดงว่าก็นลี่กันไปคนละทิศเลยแล้ว ชื่อที่ได้ยินที่หลังจะมีเพียงสองค์แต่นั้นเดียวที่เอามาพบนะฮะอาจจะมีแต่ยังไม่ไม่พบแต่พบผลงานเนี่ยพบอยู่เพียงสาองค์แต่นั้นเนี่ยคือแสดงว่าท่านไปหายจนว่าพระยุ่นรุ่นหลังยุคสังคิติกาจารย์ทึ่มันผ่านมาทั้ง4ีกว่าปีนะฮะคมไม่ได้รู้เรื่องราวหลวงพ่อรุ่นแรกเลยเลยไม่ได้บันทึกไว้เลยแต่ว่าท่านก็คงทํางานได้มากมายงานเหล่านี้จึงไม่ใช่เป็นเรื่องของโภมาจารย์ ไม่ใช่เรื่องของการละการภาวนาส่วนตัวท่านที่ท่านเกิดญาณรู้ว่านั้นเป็นส่วนตัวท่านเท่านั้นแต่ว่าการทําเพื่อคนอื่นนั้นก็อย่างที่เคยบอกว่าพระหารเราเนี่มันเริ่มต้นด้วยด้วยปัญญานะฮะถึงจุดของท่านเนี่ยมันจะเกิดปัญญาขึ้นมาเกิดปัญญาแล้วจะคายจัดกิเลสก็ทําให้เกิดความบริสุทธิ์แต่ว่ามันช่วงที่ติด ท, ท, ที่ติดต่อกันไปเลยนะฮะจากนั้นพอจบปั๊บเนี่ย ได้อาศัยขยายนเสร็จแล้วจิตจะเกิดเป็นกรุณาเป็นกรุณาที่ท่านบอกว่าการุณาที่เปี่ยมล้นมองเห็นคนอื่นเป็นทุกข์หมดเลยในแง่ของพระอาหารหันต์จึงประกอบด้วยกรุณาเราสังเกต น, นะฮะว่าพระพุทธเจ้าไม่ประกอบด้วยเมตตานะเราไม่พูดเ ร, เราไม่เราไ่พูดพระพุทธเจ้ามีเมตตาคุณแต่จะประกอบด้วยกรุณา <c oughs> ทําไมจึงไม่พูดว่า <c oughs> ทําไมจึงไม่พูดว่าประกอบด้วยเมตตาเพราะเมตตามันเจือด้วยราคา ท่านเราสังเกตนะฮะเมตตานั้นเจือดีราคาแล้วก็ใกล้ตัวราคามากบางทีที่เราบอกว่าเมตตาคนเนี้ยเมตตากนเนี้ยที่จริงมันเป็นอาการของราคาชัดๆอย่างที่เคยอธิบายมาแล้วว่าเมตตานี่มันมั น, ม, นมันมีสิ่งที่ครอบล้อมันอยู่เยอะมีการมราคานะความกำหนัดด้วยอำนาจความคล้ายจะปราปรควัตถุนะฮะปลาปรควัตถุที่ประนีตแล้วก็มีอะไรมี เปมาคือความรักอั น, นี้ก็เป็นกิเลสชัดๆนะฮะแล้วก็มีเกียรติตะเปมาความรักที่อาศัยเรือนความเป็นครอบเป็นครั ว, รวแล้วอีกข้างหนึ่งก็คือสันทากติจะมีอะไระจะกําหนดพวกวัตถุที่ประณีตเป็นตัวให้เกิดเมตตาแต่ถ้าอเด็กมันสนสไม่เราไม่ชอบไม่เกิดเมตตาแต่แต่กรุณาไม่กรุณานีนมองคนใครก็ตามที่ประสบความทุกข์ จนศัตรูคู่ร้ายกันก็ตามมันจะเป็นกรุณาเลยจย ช, ช่วยกันทีจะมองผิดกันนะเมตตาเราไม่พูดเราพุทธเ จ, จา้าประกอบด้วยเมตตาเราไม่พูดเราพูดว่าพุทธเ จ, จา้าประกอบด้วยกรุณาทําไมฮะเพราะท่านมองเห็นทุกคนเป็นทุกข์หมดเลยในแง่ของท่านนะะในแง่ของพระอรหันต์แล้วทุกชีวิตในโลกนี้เป็นตกอยู่ในทะเลของความทุกข์ทั้งหมดเลยไม่มีใครเลยที่จะหลุดพ้นมาจากความทุกข์นอกจากพระริยเจาย้า เพราะงนันท่านจึงทุ่มเทชีวิตจิตใจของท่านทํางานเพื่อมวลชนอย่างได้อย่างเต็มที่เพราะประกอบด้วยกรุณากรุณาที่เปี่ยมล้นนะฮะกรุณาที่หลั่งไหลไม่ขาดสายแล้วก็ไม่ย่อท้อไม่ย่อท้อต่อการที่จะอบรมการจะแนะนําสั่งสอนบุคคลทั้งหลายบางทีพระพุทธเจ้าลงทุนไปสอนคนคนเดียวนะฮะเดินผ่านหน้าบ้านเนี่ยเดินผ่านนาเขานะฮะคือตั้งตั้งแต่เริ่มทางป่าเพื่อจะทํานาไปจนถึงว่าข้าวเปนสุกไปเดินทุกวัน เดินผ่านทางนาทุกวันเพื่อจะสอนเขาเพื่อจะเขาได้เกิดสํานึกเพื่อให้เขาได้หลับพึ่ง พ, งพิงเวลาประสบอันตรายคือพระริจ้าทั้งหลายนั้นท่านไม่ย่อท้อในการทํางานเพื่อสัตว์ทั้งหลายแต่ว่าเป็นการทํางานด้วยกรุณางานเหล่านี้ทั้งหมดจึงไม่ใช่เป็นบุญเป็นบาสนะฮะไม่บาปนั้นไม่ไม่ต้องพูดอ่ะคือว่าไม่เป็นบุญเพราะบุญเป็นเรื่องของวัตระแต่เขาเรียกว่าโลกุตตรกุศลมันเป็นกุศลนะ แต่เป็นกิริยาเป็นเพียงกิริยาแต่ น, นั้นนองไม่ไม่อำนวยออกมาเป็นวิบากอะไรจำบัดท่านคนะือเสร็จแล้วหมดเรียบร้อยไปแล้วท่านท่านอยู่เพื่อคนอื่นเท่านนะั้นเป็นชีวิตที่เรียกว่าอยู่เพื่อคนอื่นอย่างแท้จริงเราลองดูตัวอย่างง่ายๆอย่างพุทธเจ้าพนระพุทธเจ้าอะไรตัวอะไรก็เพื่อคนอื่นทั้งหมดเลยป่วยขนาดป่วยเนี่ยเขาจะมาพยาบาลอย่างไม่ให้พยาบาลนะ ไม่ต้องพยาบาลใครต้องการพยาบาลเราก็ให้พยาบาลไปสู่ไข่แทนขนาดป่วยนะฮะยังไม่ต้องพยาบาลบูชาทำอยู่เพื่อคนอื่นทั้งหมดไม่มีอะไรที่เพื่อพระองค์เองเพราะงั้นไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นแก่พระองค์เป็นเรื่องของคนปรารถนาบุญต้องการบุญได้ถวายได้บูชาสการาพระองค์เป็นเรื่องของเขาอ่ะ อย่างที่บอกแล้วว่าที่ที่เราทำทาที่จริงเรา ก, เราก็เราก็ทำเพื่อเราอ่ะอัมพากังดีกะระตังอิตายะสุขายะลงอย่างนั้นทุกทีเวลาทำพุนเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ญาติทั้งหลา ย, ย, ลายมีมารดาบิดาเป็นต้นก็าบาปนี่ก็แสดงให้เห็นว่าผลที่เกิดขึ้นแก่พระอาหารหันต์นะกับพระพุทธเจ้าเหมือนกันเหมือนกันคืออาสวะกิเลสหมดสิ้นไป จบกิจที่จะต้องทําเหมือนกันนะฮะกิจจะต้องทําเกี่ยวกับส่วนพระองค์นะฮะคือละชั่วประพฤติดีส่วนส่วนท่านทั้งหลายแล้วก็พระหมอาจารย์เราได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทําเราได้ทําเสร็จแล้วคือทําเกี่ยวกับการละการการบำเพ็ญนะกิจอื่นในทํานองเดียวกันกิจอื่นทํานองเดียวกันคือหมายความว่ากิจละชั่วประพฤติดีส่วนตัวท่านนะไม่มีแล้ว แล้วก็ในตอนสุดท้ายตอนสุดท้ายนี่ก็ถือว่าพระสูตรนี้ก็มันก็จบตรงนี้นะฮะที่เป็นพระพุทธธรรมรัสจรงิงๆนะจะจบแค่ตรงนี้เท่านั้นต่อไปก็บาลีก็ขึ้นว่าอิดมโวโจบกว่าตรงนี้พระอานนท์เล่านะฮ ะ, ะอานนท์เล่าก็นี่อย่างอย่างที่อามาบอกว่าเราไม่ต้องไปเถียงกันหรอกว่ามันพุทธพตหรือไม่พุทธพธุทธมันเป็นพระพุทธศาสนาก็แล้วกัน คืถ้าจะเอาพุทธพจน์เนี่ยไม่ว่าอะไรล่ะฮะทั้งพระสูตรพระวินัยพระบิธดามันไม่ใช่พุทธพจน์ทุกตัวหรอกก็เราเห็นเนี่ยทางหัวทางท้ายในทุกเทียไม่ใช่ทุกเทียหัวท้ายเนี่ยเป็นเรื่องพระานนทันเล่าให้ฟังประานนทันเล่าว่าอิดามโบเจะภกวาพระผู้มีพระภาคเจ้าได้จัดประสูตรนี้จบลงอัตมนาปัญจวัคคียาปิคู่ปะกัวโตภาสิตังอภิณันตุนภิกษุปัญจวัคคีย์ก็ชื่นชมยินดีในพุทธภาสิทธ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้า แล้วก็จิตของท่านทั้งหลายนี่ก็หลุดพ้นจากอาสวะไม่ถือมั่นด้วยอุปาทานนะนี่ท่านทั้งหลายจะมองมองเห็นคาอีกสองคำคือจิตนั้นหมดจากอาสวะแต่ไม่ยึดถือมั่นในอุปาทานทำไมเป็นไงคือคือเป็นการแสดงถึงกิเลสพวกเดียวกันนะฮะแต่มันก็อยู่ในถองลักษณะอาสวะนั้นคือเชื้อกิเลสเลยตัวตัวรากันเลยที่หมักหมมเก็บสะสมอยู่ภายในจิตใจ ที่ทำให้มันแสดงพฤติกรรมออกมาต่อจิตนะไขว่ความปรารถนาด้วยอำนาจตระหนามานะอย่างที่ว่าแล้วเนี่ยแล้วก็ออกมาทางกายการทาทุจริตทางกายบ้างพูดทุดจริตทางวาจาบ้างมันก็เกิดมาจากอกิเลสที่มีอยู่ภายในซึ่งในที่นี้ใช้คาว่าอาสวะคือหมักหมมอยู่มันก็มีอะไรฮะกิเลสที่หมักหมมประเภทสิ่งที่เราคลายเอาไว้นะความคลายก็เรียกกามาสวะคือกิเลสประเภทที่ก่อให้เกิดความคลายความกระสันอยากในอารมณ์ต่างๆ ซึ่งท่านลองสังเกตนะว่าถ้าเราไม่มีกิเลสประเภทนี้เราจะไม่มีตัญหาในสิ่งเหล่านี้ไม่มีความอยากในสิ่งเหล่านี้แล้วก็เมื่อไม่อยากมันก็ไม่เยอะอะมันมันเป็นอาการที่เกิดสืบเนื่องกันไปแล้วให้ลองสังเกตว่าเพราะเรามีเชื้อของอาสวะนี่อยู่นานมาแล้วมาเคยอุปมาอุปม้ฟังว่าไอ้เชื้อของอาสวะเนี่ยเชื้อภายในจิตเราเนี่ยมันถือเป็นตัวสําคัญที่สุดถ้าเราไม่มีเชือ้อมันไม่มีปัญหาอะไร ที่อุปมาอารมณ์เหมือนกับมแมลงวันหยอดไข่ฟังนะฮะว่ า, มาแมลงวันหยอดไข่มันไม่แน่ว่าจะเป็นหนอนนะ ค, คือบางทีนี่ถ้าแกหยอดลงบนสิ่งที่มีเชื้อหนอนมันก็เป็นนะฮะปลาเนื้อมันก็เป็นยอดลงบนหินหยอดทรายก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรฮะเพราะหินไม่มีเชื้อหนอนใจคนเราก็เหมือนกันอารมณ์มันก็เรื่องอารมณ์ธรรมดาธรรมดาไม่มีอะไร <c oughs> แต่ว่าใจเรามีเชื้ออยู่หรือเปล่าถ้าเรามีเชื้อกิเลสอยู่ มันก็พร้อมที่จะบวกกับอาสวะที่มีอยู่ภายในเนี่ยไอ้รูปภายในเนี่ยใจก็จะเกิดเป็นกําหนดว่าสวยว่าไม่สวยอะไรแต่อะไรมันก็พร้อมที่จะเข้ามาบวกกับภายในมันก็กรอบ ก, ก, กรอให้เกิดเป็นการหมักผมพับผมอยู่มากมายกายกรอซึ่งท่านลองสังเกตว่าภายในใจเรานะฮะถ้าเราไม่มีการปฏิบัติละปล่อยวางกันบ้างแล้วนี่มันแย่นะสะสมมัแย่นะอาสวะเป็นชื่อของของเครื่องดองนะฮะว่าตามความจริง เป็นปูผาสวะน้ําดองดอกไม้พลาสวะน้ําดองผลไม้เครื่องดองท่าอุปมาว่าไอ้เครื่องดองเนี่ยมันหมักหมมสะสมแล้วก็มีกลิ่นมีอะไรมีกรดมีอะไรเยอะแยะก็กิเลสประเภทนี้ก็คือโรคปวดหลงนั่นเองนะฮะอย่าลืมมันคือโรคปวดหลงนั่นเองแต่เขาเรียกอาการหมักหมมของเขาอาการหมักหมมของเขาว่าเป็นอาสวะคือมันทับถมไว้ไว้เป็นกลับเป็นการมันทับถมเยอะแย แต่โดยเฉพาะในชีวิตปัจจุบันของเราเราจะพบว่าคนที่อยู่ในท้องถิ่นชนบทที่ห่างไกลอาสวะในเรื่องต่างๆจะน้อยไม่ไปอยากได้วิดีโอไม่ไปอยากไปช้อปปิ้งของกงเงินเกาลูนอยา่างไม่มีอาสวะแบบนั้นนะเพราะเพราะมันไม่ได้เก็บไว้มันไม่ได้สะสมเชื่อเราเหล่านี้เอาไว้บางทีก็พูดเรื่องของโกงเกาลุนก็ยังไม่รู้อยู่ที่ไหน เพราะงั้นเราจะเห็นว่าวันเวลาที่ผ่านมาเนี่ยทำให้เราเริ่มอสาาวะรแต่ละสายขึ้นมาเยอะแยะแล้วต่อไปก็คือภาวะสวรรค์ความอยากเป็นต่างๆอยากเป็นต่างๆอยากเป็นนั้นเป็นนี้อะไรแต่ไรนี่ยก็เหมือนกันนะฮะเราจะเห็นว่าอาสวะในส่วนนี้ของคนเราก็นอกจากไอ้เชื่อเดิมแล้วมันก็มาบวกขึ้นมาใหม่อีกเยอะแยะบวกขึ้นมากมายกายกอง ใน ต, ตัวภาวาสาวะของคนเราก็ไม่เหมือนกันนี่นักธุรกิจก็ภาวะสภาวะอีกแบบหนึ่งนักการเมืองก็ภวาสวะอีกแบบหนึ่งนะแต่ว่ามันก็ปนปนกันอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็มาสรุปที่อวิชชาสวะมันก็หมดแล้วมันก็หมดแค่วิชาแล้วสรุปที่อวิชาสวะอาอาสวะคืออวิชาคือความไม่รู้จริงที่หมักหมมอยู่ทั้งหมดเลยเนี่ยมันพ้นพอพ้นเราก็ไม่มีการยึดยึดถือโดยอุปาทานให้ลองสังเกตอุปาทานมันก็ยึดถือโดยอะไร ยึดถือโดยนาจความคลาอ้กิเลสเป็นเหตุให้คลายมันหมดแล้วแล้วมันจะยึดได้ไงมันก็ไม่ยึดน ะ, ะอุปาทานนั้นมีสแต่ว่าอาสวะมีสมไม่ต้องสามกับ4ี่หรอกอนุศลมันก็มี3ามแต่นั้นเองแต่มันก็คลุมอะไรได้ทั้งหมดก็มีการอุปาทานถือมั่นกามนะฮะทิฏฐุปาทานถือมั่นโดยอำนาจทิฏฐิศีลพัตตุปาทานถือมั่นโดยศีลโดยวัดโดยข้ปฏิบัติอย่างทีิวาน แล้วก็อัตวาทุปาทานถือว่าทะว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้ถือว่าทะตนถูกต้องอะไรอะไรเนี้ยดังเราจะเห็นว่าลักษณะของอุปาทานนั้นคือถือด้วยอํานาจของตัณหากรรมานะนตัณหามานณทิฏฐิตัณหามาณทิฏฐิอย่างที่พูดมาแล้วเพราะงั้น เ, เมื่อเราละอาสวะซึ่งเป็นเหตุให้เกิดอุปาทานได้บางตัวตั ว, ตวอุปาทานก็ชื่อว่าละก็คล้ายๆกับอะไรนะฮะคล้ายๆกับ เราลากกิเลสเป็นเหตุเกิดความทุกข์ที่เราพูดมาในธรรมจักได้ไอ้ความทุกข์มันก็หมดไปเองหรือว่าเราถอนรากของต้นไม้ได้ไอ้กิ่งใบต่างต่างของต้นไม้มันก็พังไปเองอย่างนั้นนะดังนั้นในชีวิตหลังจากนั้นของพระเดียเจ้าจึงไม่มีอุปาทานไม่มีความยึดความถือในเรื่องอะไรทั้งหมดเกิดจะมองเห็นเอ่ยดีกับไม่ดีนี่ในสายตาของชาวโลกเนี่ยของท่านมันก็สักไปว่ากิริยาแต่า กาวแต่ว่ากิริยาเท่านั้นซึ่งข้อ น, นี้คนขนาดพระเทวทัตนะครัจึงนี่ก็เป็นธุระบุรุษแห่งยุคพุตตกานนะครแต่ท่านรับรองพระพุทธเจ้าเลยเพราะพระพุทธเจ้านี่มีพระไทยเสมอหมดพระคนทั้งหลายกับนายช้างธนาบานที่ไล่แทงพุทธเจ้านายขมังธนูที่ไปสุ่มยิงพระพุทธเจ้าโจนกุกฤษมาที่ล่ฆ่าพระพุทธเจ้าเทวทัตที่จองล้างจองผลาพระพุทธเจ้ามาเยอะแยะ กับพระราหุลพระพุทธเจ้ามีพระทัยเสมอกันเพราะอะไรเพราะว่าไม่มีตรหนอุปาทานและอันสวากิเลสได้อันนี้ก็เป็นพระสูตรที่สองนะคืออนัตตลกนณสูตรก็ก็จบลงมด้วยด้วยเวลาอย่างท่านนี้ขอนมูนาเกิดทันท